ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็จะพูดถึงพุทธชัยมงคลคาถาข้อที่เจ็ดซึ่งพระโบราณอาจารย์ได้รวบรวมมากล่าไว้เป็นคาถาประพันธ์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชัยชนะต่อนันโท ป, ปนันทนาคราช ซึ่งมีฤิธานุภาพจิงนัดกด้วยการใช้ฤทธิ์เช่นเดียวกันขออวามนาจพุทธชัยมงคลคาถานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายมีข้อความมันเป็นเบื้องต้นว่าคราวหนึ่งพระยานาคชื่อว่านันโทปนันตะนากราตได ขึ้นมาบนโลกมนุษย์แล้วก็แสดงฤทธิ์อำนาจเ <c oughs> บียดเบียนนาน า, นาประชาราษดรในเดือดร้อนจนปรากฏในขายพระยาณของพระพุทธเจ้าในคราวหนึ่งท่านขึ้นมาแล้วก็แปลงร่างเป็นมนุษย์สนุกสนานเพลิดเพลินกันอยู่ท่ามกลาง น, นางนาคพานวีกาทั้งหลายพระพุทธเจ้ารับสั่งเรียกพระสงฆ์อรหันต์รุนล้วนบอกว่าเราไปทรมานนันโทรปรนันทนากราศกันแล้วก็ใช้ฤทธิอำนาจเลื่อนลอยไปบนอากาศมีลักษณะเหมือนกระเกรียบผงทุลีลงบนหัวนันโทรปรนันตนากราศ แต่แท้ที่จริงขบวนขบวนของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ที่เดอนลอยไปนั้นก็ยังไม่ถึงนั้นโทรปรนันตระกนากราชมองเห็นคขาว่าน่าจะมาในลักษณะนั้นก็โกรธก็กลับร่างเป็นพญานาคแล้วก็แปลงตัวเป็นนาคใหญ่วงขนดไว้รอบภูเขาแล้วก็พ่นพิษเป็นตำนองป้องกันไม่พระพุทธเจ้าเข้าไป พระเจ้าก็รับสั่งให้พระมุคลานะเทระไปทรมานนันโทปนันทนากราชพระมุคลานะเทระก็กลับร่างเป็นนาคเหมือนกันแต่เป็นนาคที่ใหญ่กว่าก็ไปวงรอบนันโทปนันตนากราชอีกทีหนึ่งวงทับลงไปทีหนึ่งเมื่อนันโทปนันตนากราชพ้นพิษท่านก็ใช้เตโชกสิน ป้องกันพิษแล้วก็พ่นพิษใส่จนในที่สุดก็ใช้ฤทธิ์อำนาจในทางกรสินนี้สู้กันดันั้นโทรปรนันตนากราชก็ยอมแพ้แล้ว ก, กลับร่างมาเป็นมนุษย์พระโมคคัลลานะก็กลับร่างเป็นพระเถระอันโทรปรนันตนากราชก็เลื่อมใสในอิทธิฤทธิ์ของพระโมคคัลลานะเถระซึ่งเข้าไปไหว้ ขอยอมรับนับถือเป็นอาจารย์แต่พระโมคคัลลานะท่านบอกว่ามาถึงท่านเป็นสารณะเป็นที่พึ่งหรือเป็นอาจารย์ไม่ได้เพราะท่านเองก็เป็นลูกศิษย์เขาเหมือนกันในสุดก็นํานันโทปนันตนากราชไปเฝ้าพระพุทธเจ้านันโทปนันตนากราชเองนั้นไม่ได้เห็นอนุภาพของพระพุทธเจ้า แต่ก็มาเห็นอนุภาพของลูกศิษย์ว่ามีขนาดนี้อนุภาพสนะของศาสด า, าจะมีขนาดไหนในสูดก็คลายประยชน์ข้าวไปเฝ้าพระพุทธมีพระภาคเจ้าทรงแสดงให้เห็นถึงโทษที่ทำให้มาบังเกิดในกำเนิดของสัตว์ดิเรกชานว่าเป็นเพราะผลของอกุศล ก, กรรมที่ได้กระทาไว้ในอดีตและในขณะที่มีชีวิตอยู่ยังใช้ฤทธิอนาจไปเบียดเบียน สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นอีกซึ่งเป็นการเพิ่มบาปเพิ่มอกุศลให้สูงขึ้นในที่สุดดันโทปนันตนากราชเองก็ได้ความสำนึกและสะดดใจแต่ว่าเพราะเป็นเพศของสัตว์เดรัจฉานถึงแม้จะมีฤทธิ์มีอนุภาพมากคือแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ก็ตาม แล้วพอจะเกิดความรู้ความเข้าใจระดับหนึ่งแต่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เท่านั้นเองแต่จะบรรลุอริยะมรรคอริยผลก็เป็นไปไม่ได้ในที่สุดท่านก็เลิกละความประพฤติเหล่านั้นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยประสงค์ก็เสด็จกลับพระเชตวันข้อความเหล่านี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ศึกษาวันณคดีไทยก็จะพบว่า ในสมัยโบราณนำมายกย่องสะดุดีกันมากเพราะเป็นชัยชนะที่ใช้ริ์เป็นหลักคือแทนที่จะใช้ธรรมะเป็นหลักข้อความที่ควรจะทำความเข้าใจในที่นี้ก็เริ่มมาจากนันโทรปรนันดานากกราชไอหน้ากราช น, นี่มันคืออะไรกันแน่เนี่ยเราก็รู้ไม่ได้นะว่าโดย โดยความหมายจริงๆแล้วคือสัตว์โรกประเภทไหนแต่ถ้าตามหลักฐานที่ท่านแสดงไว้แล้วนาคในที่นี้เป็นงูชนิดหนึ่งแต่เป็นใหญ่มากมีลักษณะกึงกงก่งมนุษย์เออไม่ใช่กึ่งเทพกึ่งมนุษย์กึ่งเทพกึ่งสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่กึ่งเทพกึ่งมนุษย์กึ่งเทพกึ่งสัตว์เดรัจฉานอยู่ในกลุ่มของอั ม, มนุษย์แต่ก็มีอิทธานุภาพพิเศษ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสัตว์ดิรกชานคือไม่สามารถที่จะรู้ธรรมะบื้องสูงขึ้นไปได้ดเรื่องราวในพระพุทธศาสนาจึงเกี่ยวกับนาคมาตั้งแต่ต้นถึงท่านทั้งหลายสังเกตลองดูจะพบว่ามันก็เป็นอื่นไปไม่ได้อย่างเมื่อคราวพระพุทธเจ้าสัสรู้ไปใหม่ประทับอยู่ที่ต้นจิกชื่ออมุจจรินพญานาคชื่ออมุจจรินก็ในมาวงขนด รอบพระองค์เป็นการป้องกนันฝนแล้วก็แผ่พังผ่านปกพระเศียรพระพุทธเจ้าไว้แม้ฝนเบียดเปลี่ยนเมื่อฝนหายไปครบเจ็ดวันแล้วก็แปลงร่างเป็นมนุษย์มายืนถวายบังคมพระพุทธเจ้าชุแล้วได้กล่าวถึงพญานาคที่ชื่อว่าเอรักปัฏตน า, า, านาคราชอาพญานาคตนนี้ในชาติอดีตก็เป็นพระ นานนะฮะสมัยประกัศสปะสมาสมุสมติเจ้าแต่ว่าก่อนจะตายนั้นท่านเราลึกถึงอาบัตข้อหนึ่งที่จริงก็ไม่ได้มากมายอะไรทอะไรแต่ว่าทำให้จิตใจท่านเศร้าหมองคือตัวเองยังไม่ได้แสดงอาบัตมีใจความโดยย่อว่าคราวหนึ่งนั้นที่ท่านเป็นพระเนี่ยก็นั่งเรือไปในหมหาสมุทรแล้วก็มือไปร อ, ไอริมเรือเนี่ยมันก็ถูกสาหลายขาด ก็คิดว่าอาบาทเล็กน้อยคือพระธรรมให้ เ, เ, เรียกพูตคามหรือพีจคามนะพูตคามก็คือต้นไม้ที่มันติดอยู่กับดินพีจคามก็คือต้นไม้ที่ปลูกงอกก็พวกหนอพวก อ, อะไรพวกหนอพวกมเมล็ดพวกกิ่งอะไรที่ยังปลูกงอกอยู่นี่ก็เรียกว่าพีจคามถ้าทำพูตคามให้ขาดก็ปรับอัตบาปัจจิตี จะทำพีชคามให้ขาดก็ปราบประบาททุกกฎีดีบางทีบางครั้งบางคราวชาวบ้านเขาต้องการจะให้พระเคร่งๆและไปด่าพระว่าวัดรกจะตายไม่ถังใช่ไหมเผื่อจะให้พระ ถ, งถงางถางหญ้าถางต้นไม้แต่ในที่ในขณะเดียวกันเราก็เรียกร้องให้พระปฏิบัติเคร่งและอีกครั้งหนึ่งก็เรียกร้องให้พระละเมิดวินยัยเอ่อข้อนี้เป็นข้อห้ามทางพระวินยัยพระทำไม่ได้ ซึ่งถ้ากว่าจะทําสำนวนโบราณเขาใช้ได้กว่าสมณะโวหารก็บอกว่าให้เด็กไปพิจารณาไปพิจารณาหญ้าพิจารณาต้นไม้บางทีเด็กก็ไปยืนดูอย่างนั้นเองแกไม่เข้าใจาพูดก็ไม่รู้เรื่องก็สื่อความหมายกันไม่รู้เรื่องคือจะพูดตรงๆมันก็พูดไม่ได้จะพูดอ้อมๆเด็กก็ไม่เข้าใจมันก็ตื้นๆในที่สุดก็จบกันเอ่อ เอรักปัตตนาครานั้นพระรูปนั้นน่ะพี่จริงท่านก็บำเพ็ญเพียรมายะแต่พอจะตายเนี่ยท่านเกิดระลึกถึงอาบัติตัวนี้ว่ายังไม่ได้แสดงแต่ที่ใจจะไปเหนี่ยวอวรณรมของกรรมาฐานซึ่งมีมากมายก็เกิดวิปฏิสารวิต ก, กังวลอยู่กับอาบัตินี้หาเพื่อนเจอจะแสดงอาบัติก็ไม่มีเลยก็ตายไปด้วยจิตใจที่เศร้าหมอง ท, งทั้งทที่มีบา ร, รมียะนะครับ แล้วเกิดในกำเนิดของนาคขลาชก็มาอยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เคยเสด็จไม่ใช่เสด็จหรอฮะก็ส่งให้มนบคนหนึ่งกล่าวคาถาขับไปแนะนำแล้วท่านก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วท่านก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงหลักต่างๆที่ท่านพอจะเข้าใจนะฮะแต่ท่านก็ไม่ได้บรรลุมากผลเหมือนกัน ด้วยบุญกุศลที่ได้เกิดขึ้นจากการฟังธรรมนั้นก็ทําให้ได้เกิดความสบายขึ้นจากตัวอย่างนาคทั้งสามนาคเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันก็เป็นงูเป็นงูชนิดหนึ่งแต่ก็มีลักษณะเป็นอมนุษย์กึง่งกึ่งเทพกึ่งอมนุษย์มีลิทานุภาพเหนือมนุษย์แต่ก็อยู่ในประเภทของสัตว์เดรัจฉานและจะ สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้แต่ก็จะกลับสู่ร่างของนาค เ, เมื่อสองคราวนะฮะคือคราวนอนหลับกับคราวสมจรกันระหว่างนางนาคด้วยกันนี้ก็จะคืนเพศเป็นเป็นนาคในในในสองการด้วยกันต่อมาคนในยุคหลังเราก็ไปแก้ว่าเป็นมนุษย์เผ่านาคา ก็พวกนักวิชาการก็มองอะไรคือเราจะเห็นว่าถ้ามนุษย์เผานาคามันก็เกิดขัดแย้งกันที่วงขนดแผ่พังพานปกประเสียนพระพุทธเจ้าและกลับร่างเป็นมนุษย์แต่ถ้ามนุษย์เผานาคาแล้วจะไปแผ่พังพานได้ไงมันก็เป็นคนแล้วต้องกลับร่างออกเป็นมนุษย์ทําไมเพราะเป็นอยู่แล้วหรือว่านันโทปนันตนาคราชก็ดี แต่ตลอดถึงนาคนาคก็มีอยู่หลายเรื่องนะฮะพวกพระเรวะตะัตอะไรต่ออะไรไปทรมานนี่ก็มีมีอยู่เยอะแต่โดยความหมายทางรูปศัพท์นาคเรียผู้เป็นใหญ่เพราะงั้นนาคจึงหมายถึงต้นไม้ก็มีชื่อว่าต้นกากระทิงเรียกว่านาคะแล้วก็หมายถึงพญานาคคือพญา ง, งูซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่แล้วก็หมายถึง พระอระหันต์เรียกว่านาคคือผู้ไม่ทำบาปเรียกว่าอากุคือผู้ไม่กระทำบาปแล้วก็หมายถึงพระพุทธเจ้าหมายถึงช้างก็หมายได้หลายความหมายในรูปศัพท์หมายถึงช้างที่ช้างผู้ประเสริฐหังนาโกวะสังคาเมเนี่ยนะก็นาโกเหมือนกันแต่แปลว่าช้างตรงนั้นไม่ได้แปลว่ววาพญาดากแล้วก็แปลว่าผู้ไม่ทำบาป คืออาคุผู้มากระทาบาปก็หมายถึงทั้งพระอาหารหันต์และพระพุทธเจ้าเพราะนั้นความหมายก็หมายถึงใหญ่ๆดีๆทั้งนั้นทีนี้พญานาคตนนี้มันก็เหมือนๆกับที่คราวหนึ่งที่มีนาคเกิดเกิดมาเบียดเบียนประทุษร้ายประชาชนทำลายข้าวกล้าของประชาชนแหลกลานไปหมดแล้วก็มีพระรูปหนึ่งซึ่งได้ฤทธิ์แต่ว่าจังเป็นปุถุชนนะฮะก็เรียกว่า เป็นโลกิยาอภินยาที่ภาษาคตะท่านไปพบข้าวท่านก็จัดการปราบเสียปราบข้าบไปเลยแต่ว่าก็ทำแบบปุถุช น, นก็บูนิดหน่อยก็ลเลยชาวบ้านก็ชื่นชมยินดีที่พระมาช่วยปราบไอ้นาคให้ก็เลยก็ถวายก็ไม่ใช่สุราหรอกะมันมันอะไรก็เรียกว่าเป็นเมรยัยสีสีแดงๆพระก็ไม่รู้เรื่องกับฉัน ฉันไปฉันมาฉันทุกบ้านโยมฉลองกันใหญ่ก็เดินเปนกลั บ, บวัดเมาอารวาสไปกะเหยียดเท้าใส่พระพุทธเจ้าหายไปเลยกรนี้ก็เป็นปถมเหตุให้มีการบัญญัติทวนัยที่ห้ามพระดื่มสุราแต่นี้ก็เกี่ยวกับ น, นาคเหมือนกันคือพระก็ไปกำราบพระยา น, นาคที่มาอรารวาสประชาชนอยู่ก็ซึ่ ง, งสแสดงเห็นว่าตอนนี้มันก็เป็นงูทั้งนั้นนะเป็นงูทั้งหมด แล้วในตำนานของไทยเราเองก็มีอะไรหนองหานนะฮะหนองหานที่สองแห่งทางข้างบนไปกับอะไรจังหวัดอะไรหนองหานตามตำนานก็หนองหานมันก็เกี่ยวข้องกับพญานาคทั้งสองแห่งสรุปว่าไปแล้นี้เราก็ไม่รู้ว่าพญานาคยังมีอยู่หรือเปล่าเราก็มีก็อยู่ที่ไหนเพราะว่าเวลาทรงแสดงนั้นก็ไม่ได้แสดงที่อยู่ แต่ว่าแสดงเวลาแกปรากฏขึ้นมาเท่านั้นเองเออตามปกติคนเหล่านี้เเป็นชยสัตว์เหล่านี้พวกเหล่านี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นอันตพภางเสมอไปแกอาจจะเป็นสัตว์ที่มีพื้นอัตยาสายดีงามก็ได้แต่ส่วนมากแล้วมักจะพยองลาพองในดินอำนาจของตัวเองการที่ท่านขึ้นมาแสดง ฤทธิอำนาจในลักษณะนั้นถ้าหากว่ปกติธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ไปยุ่งหรอกแต่ ก, ก็เกิดเป็นละวาดเบียดเบียนประชาชนพระเจ้าต้องเสด็จไปโปรดทีนี้การทรมานแบบใช้ฤทธิ์ในลักษณะนี้จะสังเกตมาพระพุทธเจ้าไม่เคยใช้เองไม่เคยพบหลักฐานพระพุทธเจ้าใช้เองถ้าจะเล่นแบบฤทธิ์คือแปลงกันมาเป็นสัตว์เป็นรูปร่างอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช้เองอจะใช้ลูกศิษย์ ส่วนมากก็พระโมคคลานะเป็นหลักใหญ่การต่อสู้กันในลักษณะริดนั้นส่วนมากแล้วจะใช้แนวของกรรมฐานท่เกิดขึ้นมาจากกสินนะฮะการเจริญกรสินเช่นเขาพ้นไฟมาเราก็พ้นไฟไปเนี่ยก็แสดงว่าเราใช้เตโจกสินเข้าไปสู้กันนี่ก็เป็นรายละเอียดในเรื่องริดที่จะต้องศึกษาและ ลงมือประพฤติปฏิบัติดูว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าในกรณีนี้เราจะพบว่าก็ใช้วิธีแรงประสมควรพปนันโทรปรนันตนากราชนั้นแกเห็นพระพุทธเจ้ามาแต่ไกลแล้วก็เกิดมีความรู้สึกดูหมินไว้พวกสมณะล้นไปบนอากาศไอเกียทุลีือบนหัวเราเป็นการดูหมินเราเลยก็เริ่มอารวาส ด, ดักหน้าทาั้งๆ ท, ที่ว่าเขายังไม่ทาอะไรนะ เพราะกระบวนพระอาหารหันต์ที่เลื่อนลอยไปนั้นก็ยังไม่ถึงแต่ว่าท่านก็สำแดงฤทธิ์ก่อนพระโมกขารนาก็เริ่มมาจากการพ่นไฟคือเขาพ่นไฟมาก่อนพระโมกขารนาคเขาพ่นไฟเข้าหาพอเขาเสร็จแล้วก็มาแปลงเป็นพญานาคต่อสู้กันต่อสู้กันแล้วก็เขาก็วงภูเขาพระโมกขารนาก็ต้องเป็นนาคที่ใหญ่กว่าแล้วก็วงทับไปอีกชั้นหนึ่งซึ่ง ในที่สุดนันโทปนันตนากระ ก, ะก็ค่ายแพ้แต่การทำในลักษณะนี้ดูแล้วค่อจะแรงนะครับแต่สมผู้มีฤทธิ์เขาก็เขาก็มีฤทธิ์เขาก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรเหน็ดเหนื่อยอะไรนักหน า, าท่านทั้งหลายจะเห็นว่าการใช้ฤทธิ์ในแนวนี้ก็คือพวกฤทธิ์สองอย่างที่ควบกันคือมโนม ย, ยิฐกับอิทธิวิธิแต่เน้นไปทางด้านอิทธิวิธิคือแสดงฤทธิ ฤทธ์โดยความหมายปแปล ว, ว่าความสาเร็จซึ่งถ้าตามรูปศาสตร์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องลึกซึง้งวิจิตพิสดารอะไรแต่ว่าชาวบ้านเรามาเข้าใจเป็นเรื่องลึกซึ้งไปเองมันมีฤทธ์อยู่ตั้งหลายฤทธ์นะฮะที่ที่เราก็มีกันอยู่ทุกวันเนี่ยประมาณ4ฤทธ์ฤทธ์หนึ่งก็เรียกว่าวิชามมยิคือความสาเร็จในด้านวิชาการต่างๆ กานความสําเร็จทางแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรต่างๆเทคโนโ ล, โลยีต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นความสําเร็จในด้านวิทยาการก็เป็นฤทธิ์เหมือ น, นกันนะอิทธิบาทอิทธิก็คือฤทธิ์อิทธิบาททางแห่งความสมําเร็จนั้นก็ใครทําอะไรประสบความสําเร็จมันก็เป็นฤทธิ์เป็นความสําเร็จของบุคคลเหลนั้นและอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าบุญญ ว, วโตอิทธิคือความสําเร็จโดยบุญ คนที่มีบุญญาธิการทั้งหลายนะฮะพวกตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ยกตัวอย่างพระเจ้าตากศินมหาราชนะีคือมาแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะได้เป็นมหาราชขนาดนั้นอนะ่ะแต่เราคือว่าท่านเป็นคนมีบุญอ่ะท่านท่านมาเพื่อจะกู้ชาติบ้านเมืองตั้งก็ปลายท่านจนได้แม้จะประสบอันตรายครั้งแล้วครั้งเล่ามันก็ไม่ตายนะฮะคนอย่างเงี้ยเรียกว่บุญยัตรตอิทธิต้องมาเพื่อเป็นอะไรต้องเป็นซะก่อนถึงจะตายก็ตายทีหลังได้ความสําเร็จโดยบุญในลักษณะนี้บางทีที่บุ ญ, ญใหญ่ๆอย่างเช่นเคยเล่าเรื่องประ พระสังกัลขิดแม่ตายทั้งกรมเขาก็เอาแม่ไปเผาพอพอเผามาถึงนั้นท่านก็หลุดออกมาเลยแล้วเบิดออกมาเลยท้องเพราะท่านเป็นก็เรียกว่าปัด ช, ชิมมาพาวิกัิัตคือเป็นผู้มีบุญที่เกิดมาจะเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นใครไปทำให้ตายไม่ได้หรือพระพากุระที่พอเข้าไปอาบน้ำในแม่ น, น้ำคงคาปลาใหญ่มาคุบปุ๊บก็กืนเลย กนปีกหนีไปไปติดชาวประมงที่แม่น้มอจิราบดีชาวประมงก็กู้ขึ้นมาผ่าท้องมาเจอเด็กแล้วในที่สุดก็กลายเป็นลูกสองพ่อสองแม่แล้วท่านก็ออกบวชเป็นพระอราหันต์ที่ไม่เคยป่วยเลยตลอดชีวิตร้อยหกสิบปีบวชมาอายุแปดสิบเป็นพระองค์เดียวนะที่ไม่เคยป่วยเลยในชีวิตพระพุทธเจ้ายังป่วยจะย่ำแยแ่เลยท่านไม่เคยป่วยเลย อนี่ก็คือปุญญวัโตอิที่เป็นความสมเร็จโดยบุญถ้าบุญไม่ถึงแล้วอย่าไปนั่นนะฮะอย่าปีนในมันเกินวัสนาที่ก็บอกว่าแข่งอื่นแข่งวัวแข่งควายแข่งได้แข่งบุญวัสนาแข่งไม่ได้มีพระเทรา่าของเราบางองค์ก็มีนะฮะแต่อย่าไปออกชื่อท่านท่านตายไปแล้วคืออีกสองสามวันจะได้เป็นสมเด็จอ่ะท่านชิงตายดักหน้าซะก่อนไม่ต้องเป็นมันลนะคือวันมันมันมันไปไม่ได้บุญญวตัตโตไม่ถึง บุญมันไม่ถึงไปไม่ได้จะ ต, ต้องมีอะไรมาตัดอุปเฉตกกรรมมาตัดบางคนที่มีตําแหน่งจะเป็นใหญ่เป็นโตยจะไม่กี่วันนะฮะก็เสร็จแล้วมาตายหรือว่าประธานาเอกคนที่รับรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเลบานอนคนก่อนนะเห็นไหมรับเลือกตั้งเสร็จแล้วนะฮะยังไม่ทันรับตำแหน่งรี บ, ร, บ, ร, บรีบตายซะก่นอนเลยไม่ต้องเป็นกันนี่ก็คือปุญญวโตวอิทธิเป็นความสมเหตุโดยบุญหมายความว่าไ อ, อ้เนี้ยเขากําหนดด้วยบุญ เต่๋ยวเมื่อคนบุญไม่ถึงมันก็ไปไม่ได้นี่เราก็มีเยอะแยะตัวอย่างเนี่ยอีกอหนึ่งก็เป็นกรรมมวิปากะอิทิเป็นความสำเร็จด้วยวิบากของกรรมพวกกรรมโยนิกรมมปฏิสารโนที่เราสวดกันนะัท่านจะเห็นว่าเราจะหาคาตอบไม่ได้เลยว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมว่าไอ้เป็ดจิงกินเปลือกขอยเปลือ ก, เ ป, อกเปลือกอะไรต่ อ, อ, อะไรแล้วกินย่อยได้ สมัยนกบินไปในอากาศได้ปลาไหว้ในน้ำได้เนี่ยแม้เราจะอธิบายด้วยความหมายทางชีววิทยาแต่ว่ามีข้อแม้เยอะแยะมีข้อแม้เยอะแยะที่เราหาคำตอบไม่ได้จต่บางชีวิตกินปลการังอยู่ได้จเจริญเติบโตแข็งแรงเรากินปลการังก็เรียบร้อยพอดีนี่ก็คืออะไรเป็นความสาเร็จโดยวิบากกรรมของแกนะฮะไส้เดือนอยู่ในดินนกบินไปในในอากาศอะไรอไรเนี่ยเป็นความสาเร็จโดยโดยวิบากกรรมของแก แล้วก็ก่อให้เกิดเป็นพวกพวกอะไรพวกกรรมโยนิเนี่ยฮะกรรมโยนิกรรมมันเป็นกําเนิดแล้วกรรมะปฏิสารโนคือเราเราเ ร, าเ ร, าเราหาคําตอบไม่ได้เอ๊ะทำไมหนอนมันอยู่ในนี้ได้มันอยู่กองมันได้เพราะเป็นกรรมโยนิของมันเป็นความสําเร็จโดยวิบากกรรมเราตอบอย่างอิดไม่ได้อย่างที่เคยยกตัวอย่างนี่ว่าพ่อกับลูกต่างปัญหาถามว่าทําไมห่านมันร้องเสียงดังอะพ่อพ่อบอกคอยาวลูก โอกมันเอ็มมันก็ไม่แน่นะเพราะอึ่งมันไม่มีคอทาไมมันร้องดังนเนี่ยเคือคือคือคือว่าเป็นปัญหาที่เราตอบไม่ได้เราตอบไม่ได้มันเกิดจากวิบากกรรมของมันเองเป็นวิบากของบุคคลนั้นเองของสัตว์เหล่านั้นเองที่สําเร็จโดยโดยกรรมของเขาอันนี้ก็ฤตทั้งหมดนะพวกนี้ฤตทั้งหมดเลยเพราะในพระคุทธศาสนาแสดงฤตไว้สิบฤตด้วยกันแต่ว่าฤตที่ที่เราสัมผัสเห็นกันในชีวิตเนี่ยพวกสี่ิตเนี่ย เราก็เห็นกันอยู่ในสี่ฤษีนี่นอกนั้นก็เช่นทําสิ่งมีไม่ให้มีสิ่งไม่มีให้มีอะไรเนี่ยอันนี้ก็อย่างยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าใช้เมาตอนพระยาศสาเข้าเฝ้าก็เริ่มใช้ตั้งแต่คราวแรกเลยนะครัพอพระพยาศสาเข้าเฝ้าฟังเทศบรรลุโสดาทอนนั้นพ่อพระพยาศสาไปหาพระพุทธเจ้ า, ากำบังไว้ก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะแต่ไม่ให้เห็น เศรษีก็ถามว่าท่านมหาธรม ร, มาธรมณะประมาหาสมณะท่านเห็นยาศกุลบะตรบ้างไหมพระเจ้าว่าท่านนั่งตรงนี้แหละแล้วประเดี๋ยวจะพบยะท่านก็โปร่งเบาใจรู้ว่าเจ้ากเทศท่านฟังต่อพอได้องค์นี้คนนี้ได้โสดาด้วยก็บรรดาให้เห็นสิ่งที่นั่งอยู่นี่นั่งนั่งนั่งติดกันอยู่ในเดี๋ยวพ่อก็ไม่เห็นลูกนี่ก็คือเรื่องกำบังสิ่งที่มีไม่ให้มีสิ่งที่ไม่มีให้มี แต่แต่พระพุทธเจ้าไม่ค่อยใช้บางนี้มันคล้ายคยมายากลนะฮะคล้ายๆมายาก ล, าากลพุทธเจ้าเรียวกว่ามายาวยีคือมันมีลักษณะเป็นแนวมายากลเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นแล้วก็ไม่ใช้แล้วไม่สนับสนุนให้พระไปเล่นเรื่องเหล่านี้เพราะจะทําให้คนไปติดไปไปเล่นก็เหมือนกับดูแขกเล่นสนุกสนานสแสดงกลอะเนี่ยจึงจึงจึง ง, ง, งไม่ใช่ทางที่เป็นเป้าหมายในการปฏิบัติ แต่ว่ามันก็เป็นความสาเร็จเป็นเรื่องที่ทมได้ดังนั้นฤทธิ์ในแนวที่พระโมคคัลลานะท่านทมนั้นจึงเป็นเกิดขึ้นจากอำนาจของกสินอานาจของกสินที่ที่ฝึกปรือจนเป็นว่าสีที่เราท่องเนะีจำนานหมดเลยมันก็คล้ายๆกับว่าเราท่องคำนวณจนจำนานเนะี่ยท่องสูตรูคูณจนํานานนะฮนะไม่ต้องไปจิ้มในเลขสามตัวก็ไม่ต้องจิ้มคือ ปั๊บระมองปั๊บก็เห็นปั๊บเลยคือคูณได้ทันทีหารได้ทันทีนี้ก็อาศัยความชำนิชำนาญที่ก็ทําบ่อยๆทําจนคล่องแคล่วที่ก็เรียกว่าเล่นชานนะเล่นชานเล่นริดก็ปลิกแปลงข้ามลําดับชานได้ข้าวชานกระโดดข้ามลําดับได้เลยเนะนี่ยเจรเจนว่าข้าวปฐมมาชานแล้วกระโดดไปที่ตติยชานโดยไม่ผ่านทุติยชานสับลําดับย้อนลําดับอะไรได้หมดเลยมันก็ชำนิชำนาญแบบสมัครท่านนะฮะ ก็คล้ายๆกับพวกอะไรนักกรีธาทั้งหลายที่พวกเล่นกรีธานะฮะกระ น, นั้นก็กายกรีธาไอริสเปนก็จิตจกรีธาริสที่ท่านแสดงนั้นเป็นจิตจกรีธาคือเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นเฉพาะผู้ฝึกจิตเหมือนพวกกายกรีธาทั้งหลายที่สําเร็จได้ทําได้เฉพาะคนที่ฝึกในด้านกายมาก็มีคนก็ทําได้แยะนะฮะแต่เราทําไม่ได้ เหตุพวกอะไรยิมนั ส, สติกพวกอะไรค่อยค้นโยนตัวเยอะแยะไปหมดเลยที่คนอื่นก็ทําได้แต่เราทําไม่ได้เหตุผลก็คือว่าเราไม่เคยฝึกมานี่ก็คือฤทธิ์นะครับดังนั้นการใช้พระสาวกไปทํางานในแนวนี้จากที่สังเกตมาว่าก็ถ้าใช้ฤทธิ์กันต้องๆ อ, อ, อย่างนี้นะครัพระพุทธเจ้าไม่เคยใช้มีพบแต่ยังไม่เคยพบแต่ในตัวบาลีพบในคำภีรเรื่องพระยาชมพู ท่านทั้งหลายที่เป็นคนแก่ก็เคยได้ยินเรื่องประยาชมพทูที่บอกบอกว่าตัวใหญ่มากนะฮะแล้วก็รู้ข่าวพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดหรือว่าสุรินร์ราหูซึ่งเป็นเทพที่ร่างใหญ่ทือว่าในกลางข้าวพระพุทธเจ้ากลัวว่าพระพุทธเจ้าจะมองท่านไม่เห็นนะคือว่าหมายความว่าท่านสูงใหญ่มากกลัวท่านจะมองกลัวพระพุทธเจ้าจะจะมองท่านไม่เห็นหรือว่าท่านไม่รู้จะเฝ้าอย่างไรพระพุทธเจ้าเล็กนิดเดียว แต่ว่าเวลาพวกนั้นมาถึงก็เห็นพระพุทธเจ้าใหญ่จนจนมาตัวเองแงนคอตั้งบ่าและยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ใช้อิทธานุภาพซึ่งลักษณะเหล่านี้จะมีในในวันวันเสาร์หน้าเนี่ยก็เคยใช้เหมือนกันใช้แบบแต่อีกแบบหนึ่งไม่ใช่แบบนี้การใช้ในแนวที่ที่แร ง, แรง นะคือทรมานกันจริงรจังให้ละพยศนะฮะหมดทิฏฐิมานะไรเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นเรื่องภาษาวกไปทำเช่นภาษากตะไปทำพระโมคคลลานะไปทําหรือพระอุบลบรรณาที่จริงท่านเลิศในทางฤทธิ์เหมือนกันแต่ก็ไม่เคยพบหลักฐานว่าท่านเคยไปใช้ฤทธิ์ทำอะไรส่วนพระโมคคลลานะนั้นเคยไปเช่นว่าไปทรมานมัชริยะโกเสยยะเศรษฐี นี่ก็ใช้แรงนะเงือโชคเลย <c ười> คือเศรษฐีองคนนี้เป็นคนขี้เหนียวมากไม่ยอมซื้อไม่ยอมจ่ายแม่แต่จะกินเองทรัพย์สมบัติร่ำรวยมากมายแก่กองแต่ว่าตัวเองไม่ใช่เสื้อผ้าอภรรที่ใช้ก็เอาของที่เร้าหมองมาใช้ยานพาชนะก็เร้าหมองแม่แต่ร่มจะใช้ก็เร้าหมองวันหนึ่งท่านไปเห็นคนก็กินขนมเบื้องนะจริงขนมธรรมดาๆในตัวเองไม่เคยกินเลย ก็เกิดอยากกินขึ้นมาก็มาเล่าปัญญาความโอ๊ยปัญญาบอกจะกลัวอะไรพี่จะทอดขนมเบื้องเลี้ยงคนได ห, หมดในหมู่บ้านเนี่ยหัวโกรธใหญ่เลยบอกอะไรนี่เธอนี่คล้ายๆกระสมบัติของฉันนี่เอาจะไปแจกจ่ายคนอื่นได้ก็พูดไปพูดมาต่อรองกันมานะเอาจะเลี้ยงเฉพาะคนบริเวณบ้านเก่าไม่เอาเลี้ยงเฉพาะคนในบ้านเก่าไม่เอาพูดไปพูดมาเฉพาะครอบครัว ก, ก็ไม่เอาสองคนผัวเมียกินกันก็ไม่เอานะเมียกินไม่ได้ เหลือเกินนะครเหลือเกินนะขี้เหนียวจังเลยนะฮะตอนลงก็เมียก็ไม่ให้กินฮนะเมียก็ไม่ให้กินเมียก็เอาไม่กินก็ไม่กินก็เพื่อจะรักษาน a m j a i สามีก็เตรียมไอ้ข้าวของนะฮะพอเตรียมข้าวของก็ไปดุอีกต้องเอาของใช้ไม่ดีมาใช้ของดีเดียวมาใช้ไม่ได้แล้วพอจะทอดข้างล่างไม่ทอดอีกกลัวคนจะเห็นกลัวคนจะมาขอขึ้นยกเครื่องไปโน่นไปทอดประสาทานนชั้นบนชั้นเจ เรทอดประสาทชั้นสูงสุดไปอยู่กันสองคนบัวเมียทอดข้างบนพระพุทธเจ้าก็รับสั่งให้พระโมคคานะไปทรมานพระโมคคานะก็ไปนะฮะไปก็ไปโโปรต่างหน้าต่างไปรออยู่ที่ที่หน้าต่างเนี่ยมาชัยโกริยะเอโกริยะเศรษฐีก็โอ้โหมาเจออีกแล้วนี่หลบพวกนี้มาเจอข้างบนนี่อีกแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะฮะท่านก็รออ ย, อย่างนั้น แล้วแกก็ว่าเลยทํายังไงจังก็ไม่ให้ทํำยังไงจังก็ไม่ให้จะลอยอย่างนั้นจังก็ไม่ให้พระโมกคลานะก็ลอเฉยก็เห็นนิ่งๆจะทําให้เป็นควันมาจังก็ไม่ให้พระโมคคัลานะก็บังหวนทําเป็นควันคลุงเข้ามาข้างในเลยทําให้เป็นไฟจังก็ยังไม่ให้เลยว่าพระโมคคัลลานะก็ทําให้เป็นไฟแต่ว่าไฟที่เกิดด้วยเตโชกสินนะฮะไม่ใช่ไหม้คนมาตามเป็นไฟแกก็เกิดตกใจแล้วในที่สุดก็บอกเออพระองค์นี้ทําไม่ให้คงไม่ไปหรอกให้ก็ให้หน่อย เสร็จแล้วก็ให้มีท่อขนมอะท่อขนมเบือเบ้องตักเบื้องไอ้ตักขนมนิดหนึงนะ่งฮะเหยาะใสลงไปพระมกขลาน่าก็ใช่ริสนะครับบูดขึ้นใหญ่โตเลยไม่ให้ชิ้นนั้นไม่ให้มากไปบอกว่าตักเองตักนีน่ถึงใหญ่กว่าเดิมอีกใหญ่กว่าเดิมอีกทำยังไงมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นด้วยแป้งแป้งยิ่งน้อยขนมยิ่งใหญ่ เลยไม่รู้จะทํำยังไงชักชกักชักเหนื่อยกันหว่าแล้วนะเพราะมันเหนื่อยมั น, มนทรมานทรมรรมมานานแล้วในสุดก็บอกเมียว่าให้ได้ไป็หน่อยตัดให้สักชิ้นเนะี่ยตัดจะตัดให้นะฮะพอตัดก็ตัดไม่ขาดอนะ่ะดึงกันสองคนผัวเมียเหงือโชคเลยทีเนี้ยนะก็หายหิวทรมานกันจนหายหิวเสร็จ แ, แล้วแกก็ยอมเกิดสัทธาเรื่อมสายในพโมกคัลานะก็ถวายขนมเบื้องพระโมกคัานะก็บอกให้ สองคนผัวเมียเนี่ยนำไปถวายพระพุทธเจา้าตอนนี้ใช้ริดนะฮะใช้เป็นบันไดคล้ายๆกันย่นระยะทางบันไดลงจากหน้าต่างชั้นเจ็ไปถึงไม่ใชต่ตะวันเลยเมื่อกลงบันไดจากล่างข้างบนเนี่คือใช้ริดแบบนี้แล้วสวดมากพระโมคกัลนานะธรรมพระพุทธเจ้าไมา่ไม่ค่อยแสดงอะแนววิธีนี้เป็นวิธีการกำราบคนคือจะเอามาใช้ไปบ่อยไม่ค่อยได้หรอกเป็นแนวการกำราบสมรับคนซึ่งมีนิสัยกระด้างแล้วจําเป็นจะต้องใช้ในแนวนี้ พระพุทธเจ้าก็จะใช้ตามโอกาสนะฮะตามฐานะของบุคคลท่นที่เคยบอกมาว่าพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่สองแนวเนืหนึ่งเขาเรียกว่านิกย amaha เทศนาคือคมก่อนกำราบซะก่อนกำราบก็แล้วแต่จะกำราบยังไงอย่างกำราบสัจจะนิคโครมันก็อีกแนวหนึ่งอันนั้นมันอวดดีในด้านวิชาความรู้ก็กำราบในวิชาความรู้ไอ้ น, นันโทปนันตนากราชเนี่ยมันมันอวดดีในด้านานดิดมันก็กำราบโดยนิด เหนือคนยังมีคนเหนือฟ้ายังมีฟ้านะ <c oughs> นี่ก็หมายความว่าเอาให้เหนือกว่าเขาเพื่อให้เขายอมรับคนเรายิงด้วยจุดใดนั้นต้องกำราบด้วยจุดนั้นถ้ากำราบด้วยจุดอื่นจะลดความยิงความมานะของเขาไม่ได้แน่หล่อนี้ท่านจะมองไปในจุดอื่นพระพุทธเจ้าจะใช้ไอ้คมแล้วคือกำราบซะก่อนแลวจึงสอนธรรมะเช่นพระนางรูปป น, น, น, นันาอนันญิงในรูป ทูตเจ้าก็ ก, กำราบด้วยรูปเอารูปมากำราบซะก่อนโดยนิมิตสร้างเป็นรูปผู้หญิงสวยยิ่งกว่านางรูปบันทธรรมรู้จะกี่เท่าจนท่านเกิดสลดนะฮะเมื่อก่อนนะึกว่าฉันสวยที่สุดในโลกใครงามเลิศในปัตภีฉันเองนะฮะพอไปเจอคนอื่นเข้าเนี่ยตามกระจกวิเศษว่าใครงามเลิศในปัตภีกันึกว่าตัวเองพอเห็นคนอื่นงามก็ใจมันก็สารอก แ, แล้วเกิดชื่นชมในความงามของคนอื่นพอใจอ่อนแล้วพระเจ้าจึงเริ่มสอนธรรมะนี่คือวิธีกำรับเราจะพบว่านแนวนี้ทั้งหมดนะฮะจะใช้สมับคนที่กระด้างกระเดืองไม่ว่าใครก็ตามถ้ามากระด้างกระเดืองมาแล้วก็ก็เรียกว่าหญ่โตมาเนี่ยฮะเป็นเสือสิงห์สิงแรกมาจะใช้แนวนี้ทั้งหมดจะใช้แนวกำรับซะก่อนให้รู้สึกตัวเราดูพระปัญจวัคคี เกิดกระด้างเพราะดูหมิน่นพระพุทธเจ้าว่าไม่มีทางจะสรุปได้พระทเจ้าก็กำราบซะก่อนกำราบแล้วก็ทิ้งช่วงไว้ตั้งคืนหนะฮะคือตั้งแต่เย็นวันที่วันที่สี่ค่ำจงถึงเย็นสิบห้าค่ำจึงเทพหรือว่าท่านรู้เวลากระสปะก็เกิดมาณว่าตัวเองเป็นพระอราหันต์พระพุทธเจ้าไม่เป็นพระอรหันต์เพราะงั้นกำราบประเด็นนี้ให้ได้ซะก่อนกำราบให้รู้ว่าท่านเองนั้นไม่ใช่พระอาราหันต์แต่พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์นี่คือแนวกำราบ แล้วก็พอมาเสด็จที่กรุงราชรกฤตนะฮะเราดูตอนต้นพุทธวัตรเนี่ยจะเห็นแนวได้ชัดเลยว่าพวกเหล่านั้นเกิดกระด้างกระด้างนั้นมันมีความสับสนกระด้างเพราะสับสนไม่ใช่กระด้างเพราะอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแกมาเฝ้าชักช่วงก็มาเฝ้าพระพุธธทธเจ้าแต่เกิดสับสนว่าระหว่างพระพุธธทธเจ้ากับอุรุเวลากัรสะนี่ใครใหญ่กว่าเพราะคนเหล่านั้นรู้จกักรูเวลากัรสะรู้เวลากัรสะะเป็นคนเป็นผู้เท่าเป็นผู้ใหญ่ แต่รั้วเจ้านั้นเป็นเด็กอายุเพียงสามปีเท่านั้นเองตกลงว่าไม่รู้ใครเป็นลุกศิษย์เป็นอาจารย์วิธีจะกํำราบเขาก็คือให้รู้ว่าใครเป็นศิษย์เป็นอาจารย์ก็ถามพระอุรุเวลากัรสปะรูรเวลากัรสะปะก็กราบทูลตอบแล้วก็แสดงปาฏิหาริย์ไว้กันนะฮะตอนนั้นลอยขึ้นบนอากาศลอยขึ้นบนอากาศทําไมพระรู้เวลากัรสปะต้องลอยขึ้นพระรูก้การสะปะท่านก็มีญาณท่างเป็นพระอาหารหันต์ท่านรู้ไอ คนเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเชื่อพระพุทธเจ้าหรอกเพราะงาั้นต้องให้ดูลูกศิษย์ขนาดนี้อาจารย์ขนาดไหนต้องลอยขึ้นไปแล้วก้ม ล, ลงมากราบลอยขึ้นแล้วก้มลงมากราบลอยขึ้นแล้วก็ลงมากราบลอยขึ้นบนอากาศก่อนเพราะงาั้นมันก็พวกกระด้างต่างๆก็สงบพระพุทธเจ้าก็เริ่มเทศน์นี่คือแนวเขาเรียกว่านิกหะมุขเทศนากำราบก่อนกำราบให้ละพยศลงเสียก่อนแล้วจึงเทศทีหลังท่าน นันโทปนันตนากราชก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นคนที่ประยองลําพองเชื่อในฤทธิ์อำนาจของตัวเองก็เอาให้พระโมคคัลลานะไปแสดงนะฮะแต่แสดงและกํำราดเสร็จแล้วพระโมคคัลลานะก็ชักแนวทางเองคือเมื่อนันโทบนันตนากราชยอมรับท่านว่ามีฤทธิ์มีอํานาจเหนือกว่าท่านต้องการจะนับถือท่านเป็นสนาานที่พึ่ง ท่านก็แสดงให้เห็นว่าท่านนั้นเป็นคนเล็กๆนะแต่มีฤทธิ์อำนาจขนาดนี้มีฤทธิ์อำนาจขนาดนี้ก็ไม่ต้องให้พระบรมศาสด า, า, าแสดงเองก็ทำให้นันโทรปนันตระนาะมองภาพอีกภาพหนึ่งซึ่ง ท, ที่จริงยังไม่เกิดนะฮะแต่หมายความว่าลูกศิษย์ใหญ่ขนาดนี้ลูกศิษย์ใช้ฤทธิ์ใช้อำนาจได้ขนาดนี้อาจารย์ขนาดไหนเลยก็นับถือเลยไปเลย ใ น, นนี่มันก็เคยใช้นะฮะภาษากตะเคยใช้เมื่อตอนพระโสนโกริวิสะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโสนโกริวิสาเป็นคนแปลกคือมีขนที่เท้าเท้าบางจนมีจนมีขนงอกที่เท้าก็เป็นคนแปลกพ ร, พ, ร พ, รพระเจ้าพระ้าปิมินสารขอดูขอดูตัวขอดูเท้าว่ามันงอกมาได้ยังไงไอ้ขนที่เท้าเนี่ยแต่พราโกต้งงอกจริงนะฮะงอกจริงก็ คนก็พวกกรุงราชครืพวกมากับโสนากรวิษณ์เป็นโรคเศรษฐีเนี่ยต้มากันแย่เลยก็เสร็จแล้วพระเจ้าพิมิสารก็บอกว่าควรจะไปให้พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรดด้วยตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระเชตตะวันไอ้ไม่ใช่พระเวรุวันพวกนั้นก็ออกจากเมืองมาจะมาเฝ้าที่เวรุวันเนี่ยภาษากตะแต่เขานือว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เขาคิดจกุก็ไปที่เขาคิดจกุ ภาษากตะก็นำทางภาษากตะที่เล่าให้ฟังเมกี้เนี่ยที่ไปมเมาล่ามาเนี่ยก็แสดงฤทธิ์ให้คนเหล่านั้นเห็นด้วยวิธีการต่างๆตลอดเลยแล้วมาถึงพระเวรุบัลแล้วก็ยังแสดงฤทธิ์อยู่พระพุทธเจ้ารับสั่งให้แสดงต่อไปเพราะอะไรเพราะคนเวลานั้นเขาถือว่าไอ้นี่โศนากลิวิสานีน่ยอดที่สุดยอดที่สุดไม่มีใครทัดเทียมเพราะงั้นลูกศิษย์ต้องกำหาับให้รู้จักก่อนว่ายังมีคนเหนือกว่านี้ ยัมีคนเหนือกว่านั้นไม่ใช่ย อ, ยอดเพราะว่ารองเท้าไอ้เท้ามีขนหรอกก็ให้หกักหักจากโกนา ก, กริวิสาวิธีเปลี่ยนความคิดนะฮะเปลี่ยนความคิดคือหักจากโซนา ก, กริวิสาตื่นเต้นโกนา ก, กริวิสาจุนเพรีเป็นกระบวนมาตื่นเต้นในภาษากตะเสร็จแล้วทําไปทำมาภาษากตะเหนือกว่าโสนากริวิสาพอพอตื่นเต้นที่ภาษากตะเต็มที่แล้วนะฮะเกิดจะยอมรับนับถือไม่สนใจโซนา ก, กริวนะิสาแล้ ม า, ม า, ม, ามาสนใจที่ภาษากตะจะยอมรับนับถือภาษากตะบอกเปลอาตมาเป็นลูกศิษย์ศาสาาตาธรรมาอยู่ข้างในโอ้โหมันก็ไปนะฮะทีนี้ก็เฮไปที่พระพุทธเจ้าหมดเลยนี่คือวิธีหักความคิดโน้มน้อมจิตเป็นแนวที่จริงโฆษณาโฆษณาประชาสัมพันธ์เหมือนกันนะฮะสร้างแนวร่วมทางความคิดขึ้นมาเพื่อเพื่อดึงดึงจากจุด1ไปหาจุด1ดึงจากจุดหไปหาจุด ห, ดด ห, ห, ดหแล้วก็ไปสัมผัสจุดที่ต้องการจริงๆ นการสร้างงานที่ประสานสัมพันธ์กันพระเจ้าพิมพิสารนั้นท่านเป็นพระยาบุคคลโสดาบันทาไมท่านต้องส่งมาเกิท่านเห็นว่าประชาชนมันชักจะตื่นสงเดชแล้วทีเนี้ยไปตื่นคนเท้ามีขนขึ้นมาแล้วประเดี๋ยวก็เส้นส w i n บูชากันสนุกแล้วแม้งก็ส่งเจ้าข้าวผีก็เป็นแถวมันแตเมือนแถวสมุดประการนะฮะมีแต่อัสมเยอะแยะไปหมดเลยเพราะงั้นต้อ ง, ต, องต้องหักมาแล้วท่านเองท่านทําไม่ได้ต้องก็ส่งมาให้ภาษากะตะ ภาษากะตะก็ต้องร เ, รเริ่มงานของท่านนะเดินมาท่านจะเห็นว่าเขาก็รู้กันระดับพระรยบุคคลเนี่ยารู้กันว่าจะให้ทาอะไรกันและ ใ, ในที่สุดก็พระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงปาฏิหารไม่ต้องแสดงลูกศิษิ์แสดงหมดแล้วแสดงเรียบร้อยแล้วกรรมราบเรียบร้อยแล้วพวกนี้ยอมรับน้ำือแล้วมาถึงพระพุทธเจ้าก็ะเทศได้เลยพระเทศแล้วโสนาโกลิวิสะซึ่งเป็นตัวเอก ก็เกิดสนใจแล้วในที่สุดก็ออกบวชท่านรูปนี้ฮะเป็นต้นเหตุที่ให้พระพุทธเจ้าบัญญัติให้พระสวมรองเท้าได้เมื่อก่อนพระสวมไม่ได้นะฮะรองเท้าเนี่ยองนี้พอพอองนี้เข้ามาเนี่ยเท้าแกเกิดบางเดินไม่ได้พาเดินเท้าแตกเดินจงกรมบาเพ็ญเพียรจนเท้าแตกเลือดไหลโชกเลยยังเดินจงกรมองั้นเน่ยแล้วในที่สุด ผูเจ้าก็เสด็จมาอุปมาสอนด้วยสายผินให้ฟังแล้วก็อนุญาตเริ่มอนุญาตรองเท้าตั้งแต่วันนั้นนี้ก็คือหลักเดียวกันนะฮะท่านจะเห็นว่าหลักเดียวกันหมดเลยเป็นจำพวกกำราบกำราบคือปราบให้อยู่เสียก่อนแล้วจึงจะสอนกันไว้หลังคนเราถ้ายัางไม่ยอมรับนับถือกั น, มนไม่จําเป็นฮะสอนเสียเวลาเราเหนื่อยเปล่าต้องให้เกิดความยอมรับนับถือเสียก่อนผูเจากก้จาก็มีลักษณะอย่างนั้นใครก็ต้องทําอย่างนั้นนะฮะ ถ้าว่าสอนกันไปธรรมดาธรรมดาสอนได้ไม่เกิดมรรคผลอะไรขึ้นมาไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมามันก็สูญเสียเวลากันไปเปล่าๆด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าสร้างความสำนึกในแนวที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำเนี่ยมันก็เกิดผลนันโตปันันตะ ร, รากราดเองก็สลดทอดูใจนะฮะตัวเองคิดว่าใหญ่มาตั้งนานเนี่ยมาแพ้ลูกศิษย์นะมาแพ้ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าท่านก็หดหูใจปพอสงควร เข้าไปด้วยความสลดใจหดหูใจถึงแม้จะยอมแพ้บัญยอมแพ้จน ด, ด้วยด้วยด้วยด้วยจนทางจริงๆคือทําอะไรพระโมคคัลลานะไม่ได้แต่ภายในใจของท่านนั้นพระพุทธเจ้ารู้มีอะไรพระพุทธเจ้าก็อาศัยจุดสลดของท่านนั่นเองจุดสลดใจของท่านเองชี้ให้เห็นว่ามันเป็นผลมาจากอากุศลกรรมที่ท่านได้กระทําเอาไว้ เรามาเกิดอยู่ในกำเนิดของนาคอย่างเงี้ยอย่างน้อยที่สุดมันก็สู้พระโมกขลานะไม่ได้แหละสู้พระโมกขลานะไม่ได้ถึงเก่งมีอิทธิฤทธิ์ยังไงยังไงมันก็สู้คนก็ไม่ได้แล้วก็ในสุก็ดึงลึกลงไปจนเห็นว่าในที่สุดฟังธรรมะดีขนาดนี้าศาสดาสเสด็จมาโปรดขนาดเนี้ยมันน่าจะได้อะไรขึ้นมาได้ไม่ได้เพราะความเป็นสัตว์าจารย์ ก็มีแต่ความสำนึกความเข้าใจนะฮะสามารถที่จะงดเว้นในการรักษาศีลได้ศีลห้าได้ในนี้แต่จะบรรลุมรรคผลไม่ได้เพราะว่ากําเนิดของของนาคเออนี่ก็เป็นหลักในการเป็นงานสังคมสงเคราะห์นะเนี่ยที่จริงเป็นงานสังคมสงเคราะห์ประชาชนที่ว่าที่จริงประชาชนเขาไม่รู้พระพุทธเจ้าเสด็จไปเช้ามืดแล้วก็ทรมานเด็กก็กลับแล้วไม่มีใครเขารู้ มากละพยศไปน อ, น, นอกจากนี่นอกจากใมครณีของภาษ า, ษากราตานะตะนท่านรู้เพราะว่าเป็นคนเห็นนั่นเป็นวิธีของภาษ า, ษากาตะเพราะท่านเป็นปุถุชนนะครปุถุชนยังไงยไงมันก็อยากดังนิดนิดหน่อยแต่ระดับพระพุทธเจ้าพระอราหันต์มันก็ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นการแสดงธรรมะการอบรมสั่งสอนคนหรือการทรมานคนเฉพาะในกรณีนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเริ่มต้นที่พระโมคคลลานะนะฮะ แต่ว่าการกำราบได้จ ร, จริงๆคือเข้าถึงใจจริงๆนั้นเกิดขึ้นจากพระธรรมเทศนาพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแต่นั้นรพุทธเจ้าจึงประกอบด้วยปาฏิหารปาฏิหารสามประการพรจาจะพบว่าปาฏิหารสามประการคืออิทธิปาฏิหารมีฤทธิ์เป็นอัศจรรย์คือเหนือมนุษย์มนาเขาแหละแล้วก็อาเทศนาปาฏิหารรู้ใจทายใจ รู้ใจคนเขาคิดอย่างไงก็ต้องการถามอะไรก็มีปัญหาอะไรพระองค์ก็เจาะได้ถ้า ม, ามีสิ่งเหล่านี้อยู่นะฮะมีมียาระดับดีอยู่ก็แก้ปัญหาอะไรได้เยอะบางทีมันเป็นการวางวางยาไม่ถู ก, กโรคคนเราก็มีเชื้อดีพอพอสมควรนะฮะแต่ไม่ใช่ทุกคนถ้าทุกคนนั้นสมัยร พ, พระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าก็คงแก้ปัญหาได้หมดเหมือนกัน แต่บางคนเช่นนายจุนท่าสูกริกก็ดีนายโคคาดก็ดีนายจุนท่าสูกริกเป็นพ่อค้าหมูนะฮะนายโคข้าดเป็นพ่อค้าไอข้าโคก็อยู่ใกล้พระเจตะวันเวลาเขาข่าหมูข่าโคเสียงดังได้ยินใกล้ใกล้พระเจตวันวันนี้แต่พระเจ้าไม่เคยเสด็จไปโปรดนี่แสดงว่าเอาไม่ไหวเหมือนกันนะคือไม่มีเชื้อที่จะรับฟังอะไรอยู่เลยมืดบอดในด้านตติปัญญาเติมทีจริงๆคือจนด้วยกล้าเหมือนกัน เพราะ ง, งั้นขนาดประสพพันยุตยานเอาไม่ได้เนี่ยคนอื่นเจะไปแยมก็แล้วกันไม่มีทางที่จะทําอะไรได้เจตัวปริญญายเนี่ยก็ทําให้รู้ว่าคนนี้พูดสอนได้หรือสอนไม่ได้เลยแล้วก็สอนได้นะั้นจะสอนอย่างไรสอนโดยวิธีอย่างไรเอาอะไรนำเอาอะไรตามส่วนมากแล้วการนํานั้นก็จะใช้หยาบนำนะฮะแต่ตามโดยละเอียดเป็นวิธีธรรมชาติ ก็เหมือนกับอะไรต่างๆที่เราจะทําไม้ทําเครื่องไม้เครื่องเรืออะไรต่วอะก็หยาบนำฮะตามรายละเอียดทั้งหมดพอยิ่งละเอียดขึ้นแล้วก็มีคุณค่าสูงขึ้นเป็นวิธีตามธรรมชาติทั้งหมดเราดูของของพระพุทธเจ้าไม่ว่าอะไรก็ตามเป็นการเติบโตโดยธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปโดยธรรมชาติเรื่อยๆแล้วก็แนวทั้งหมดก็เป็นแนวตามธรรมชาติดังการกำราบแล้วใช้ายละเอียดตาม มันก็เหมือนกับการที่จะทําอะไรเก้าอี้สักตัวหนึ่งก็หยาบตามรายละเอียดพอรายละเอียดเต็มที่มันก็ใช้สมเหตุน์เป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นราคาเอกมีค่ามีราคาขึ้นมา อ, อ, อีกแนวหนึ่งนั้นเป็นแนวก็ เ, เรียกว่าอนุกหามุขเทศนาในกรณีคนมีปัญหานะฮะในกรณีคนมีปัญหามีความว่าเวดเดียวได้ ประสบการณ์พลาดพลาดวิปรโยคเดือดร้อนสูญเสียพวกพวกนี้ไปกำราบไม่ได้ในกำราบไม่ได้พังเลยะจะต้องอบอุ้มเขาสร้างความเป็นมิตรก่อนให้ความอบอุ่นให้ความเชื่อมั่นคือเปลี่ยนสภาพจิตข้อขอนจากความว่าเวเดียวดายโดดเดียวให้มาเป็นมีพักพวกมีเพื่อนอย่างน้อยก็รู้สึกพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นหลักทางใจเขาได้แล้วจึงค่อยพูดกันคือดึงขึ้นมาก่อนฮะ แต่พวกนี้กดลงไปก่อนอันนั้นมันสูงมากไปคือกดลงไปก่อนประเภทแรกกดลงไปก่อนนั้นมาอยู่ในจุดที่ใช้งานได้ประเภทที่ต้องอุ้มขึ้นมาก่อนยกขึ้นมาก่อนประคองให้ความอบ อ, อุ่นซะก่อนจนเขามั่นใจในพระองค์ได้ไข้เทศไม่ใช่วันนีน้นิ่งเทศนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ิ่นิ่งเทศบางคน ใ, นใช้เวลาตั้งหกเดือนทางเทศไทยเดินผ่านหน้าบ้านอย่างเงี้ยเดินผ่านเฉยเฉยอย่างเงี้ยเชา้ตชาตอนเช้าพระเจ้าเสด็จไปแล้วผ่านหน้าบ้านสร้างความคุ้นเคยไว้ตร้างไมตรีไว้ แต่ไม่ใช่วันหลังเตียวบางดีกานะคือว่าเดี้ยวยาเไปเทศก่นอนอะรุ่งเช้าก็ผ่านหน้าบัตรสร้างความคุ้นเคยมารยเรื่อยๆๆๆจนคนเนี้ยยอมรับยอมรับทักถ่ายเมื่อก่อนเนี้ยเขาก็ไม่มองหนะ้าแล้วก็ทํามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนเขาทักถ่ายทามาเรื่อยจนได้คุยกันแล้วก็ในที่สุดก็เป็นมิตรกันน้าพระพุทธเจ้าเป็นสหายป เ, าเป็นสหายก็เป็นสหายพระพุทธเจ้าเป็นอะไรก็ได้นะทำไม่ว่าอะไรอะ คืแต่ถ้าไม่ได้ไม่ได้ยึดติดเหมือนกับสามัญชนสามัญชนเอ้ยอันนี้มันตีเสมอทะลึ่งมัตีตั้งพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อ น, นไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ไม่มีอย่างนั้นนี่ใช้เวลาหกเดือนคนคนนี้พราหมณ์คนนี้เป็นพร า, มาหมณ์ชาวนาคนเดียวนะพระเจ้าใช้เวลาถึงหกเดือนกว่าจะเอามาเป็นกว่าจะสั่งสอนแก่ได้แนะนําแกได้อันนี้โดยเล็งโดยเลงย็งด้วยอนาคตาต่างสยานว่าพราหมณ์คนเนี้ทํางานเหน็ดเหนื่อยอย่างเงี้ย ถึงจุดหนึ่งในน้าจะหลากนาแกทิ้งเลยหมดเลยพระเจ้ารู้ไว้ตั้งตั้งแต่ต้นเพราะงั้นเวลาถึงจุดนั้นจะไม่มีใครเป็นที่พึ่งแกได้เลยพระเจ้าก็ต้องสร้างความเป็นมิตรเพราะไม่รู้จักกันก่อนสร้างความเป็นมิตรไว้วันหลังพอแกประสบปัญหาพระเจ้าก็ไปเป็นที่พึ่งแกแกช่วยเหลือแกได้ปลุกปลอบให้กําลังใจได้กรณี้ก็เรียกว่าให้ลองสังเกตเพราะว่าวิธีทั้งสองวิธีนี่ค วิธีของระวุทธเจ้าทั้งสองวิธีเป็นวิธีที่ใครก็ตามที่มีหน้าที่ในการอบรมแนะนำสั่งสอนคนอื่นนะฮะก็ต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งในสองวิธีนี้ถ้าคนก็มีปัญหาอย่าไปซ้ำเติมเขานะฮะถ้ามีปัญหาอย่าไปซ้ำเติมเขาเราต้องให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเขาก่อนเป็นเพื่อนเป็นที่พึ่งแล้วก็เขาไว้วางใจได้เขามั่นใจในตัวเราได้ และต่อไปก็ช่วยกันมาคิดช่วยกันแก้ปัญหาคือให้ความเป็นมิตรยื่นไมตรีจิตให้ก่อนแต่ทีนี้บางคนซึ่งมีมานะกระด้างถือดีอะไรแต่เรเราก็ต้องมีวิธีที่จะกำราบไปก็ เ, เห็นว่าเขาก็ไม่แน่อะไรเท่าไหร่หรอกให้เขารู้สึกตัวซะก่อนแล้วก็สอนเขาได้เช่นเดียวกันเป็นวิธีสากล น, นะฮะ ซึ่งผู้บริหารผู้ปกครองมีมีลูกมีเต้าอะไรแต่ไรเนี่ยก็ดูที่ทางของลูกความประพฤติพื้นเพรตยาายของแกว่าแกมันมาแนวไหนแต่ว่าก็แนวใดแนวหนึ่งนะฮะทั้งสองแนวเนี่ยแนวใดแนวหนึ่งแล้วก็ใช้ไปตามเหมาะตามควรแกกรณีของบุคคลเหล่านั้นเราก็นำไปฝึกปรืออบรมได้การใช้ฤทธิ์เพื่อแก้ปัญหาบางปัญหา นะไม่ใช่ทุกปัญหาได้โปรดเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าใช้อิทธิวิธีน้อยที่สุดเลยจะไม่ค่อยใช้เพราะปัญหาเรื่องนิรียมันไปเข้ากับไอวิชาซึ่งเผยแพร่อยู่ในสมัยนั้นวิชาหนึ่งเขาเรียกว่าทายใจนะฮะพระพุทธเจ้ารู้ใจแต่ไม่แสดงให้เห็นว่าทายใจจะนําธรรมะเข้าสัมผัสใจเขาเฉยๆโดยเขาไม่รู้พระเจ้ารู้ความคิดเขาเพราะการรู้ความคิดนี่มีปัญหา อย่างอะไรที่เขาเล่าประวัติอาจารย์มั่นที่ไปอ่านความคิดคนหลวงตาแก่เปิดแนบหนีหายเลยคือมันคนเล่นรู้ความคิดกันก็จบผมคิดอะไรบ้างไม่รู้มันเล่นทายความคิดกันได้เข้าใจความคิดกันได้มันก็แย่เลยพระเจ้าจะไม่แสดงให้รู้นะฮะแม้อาเทศนาปฏิหารเนี่ยคือรู้จักทายใจเข้าใจเข้าใจความคิดเขาหมดน ะ, ะแต่จะไม่แสดงให้รู้พระองค์รู้เพราะถ้าแสดงให้รู้ว่าพระองค์รู้แล้วคนจะขวัญสีเลย ขวัญกเ็เจงก็เหมือนกับภิกษุรูปหนึ่งที่ อ, อ, อุบาสิกาท่านหนึ่งท่านเป็นนาคามีที่จริงท่านเจตนาดีอะ่ะท่านรู้ความคิดของพระหมดเลยพระขาดอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นปัญหาท่านจัดให้หมดเลยอุปถัมภ์บำรงพระบอกโอ้โหไม่ไหวแต่อย่างเนี้ยปัญหามันอยู่ที่ว่าเผลอๆ เ, เ, เราคิดไม่ดีอุบาสิการู้ความคิดและแย่เลยนี่เลยท่านขอกลับมาฟาบพระพุทธเจ้าเราบอกว่า อ, อยู่ไม่ไหวเราบ้านเนี้ย พระพุทธเจ้าบอกให้กลับไปให้กลับไปให้พยายามคุมความคิดไว้ให้อยู่กับกับเออกับอารมณ์นะฮะกับอารมณ์ของกรรมฐานที่ใช้เนี่ยแล้วในที่สุดทั้งก็ไปอยู่ได้ทั้งก็คุมได้เพราะงั้นเจโตปริยาณ น, นั้นถึงแม้เราจะรู้แต่เราแสดงไม่ได้พระพุทธเจ้าเองก็ไม่แสดงให้คนอื่นเขารู้ว่าพระองค์รู้สิ่งที่สงใช้มากที่สุดก็คืออนุสาสนีปาฏิหาร คือคําสอนที่อศัศจรรย์มันเหมาะเจาะสอดคล้องแต่ได้จริงพวกนั้นอยู่ข้างหลังนะฮะพวกพุทธิว่าเนี่ยก็อยู่ข้างหลังเขาก็ช่วยอยู่เพียงแต่ไม่ให้ปรากฏต่อจิตใจต่อความรู้สึกของผู้ฟังเท่านั้นว่าพระองค์รู้อะไรที่ที่เขาคิดที่เขาเข้าใจที่เขาคํานึงกันอยู่เนี่ยถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเขาจะขวัญเสีย แต่ว่าพอบทแสดงก็เอาสิ่งเหล่านี้พระญาณเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ว่าคนนี้จะสอนอย่างนี้คนนี้จะแนะนําอย่างนี้เพราะงั้นพอถึงนันโทปนันตนากราชจึงใช้วิธีแรงเพราะถ้าไม่แรงแกแกไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะลองไปเทศสอนแกดูจะแกเห็นปั๊บโอ้ยส ม, มณะล้นมาเลยนะดูมินแล้วนะข้ามาถึงเรียกส ม, มณะล้นแล้วนะจะ อ, อดจะเทศอะไรกันได้ทุกคนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องกําราบให้รู้ใจว่าคนล้นมาก็ มีฤทธิ์มีอำนาจอะไรแต่ไรเนี่ยให้ให้แกตระหนักซะก่อนเพราะว่าปกติแกะกระด้าง น, นะกระด้างแรงมากเลยกระด้างมันก็ต้องใช้วิธีวิธีที่แรงเพื่อกำลาบให้อยู่โดยเมตตาโดยเมตตาจิตไม่ใช่ว่าอย่างในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าวิธีการทางอจิตวิทยาพวกครูอะไรมันก่อน มันก่อนมาไปอบรมในโรงเรียนหนึ่งยังสะหลุดหดหูใจอยู่เนี่ยว่าตั้งแต่อบรมเด็กมาตั้งนานในยี่สกว่าปีไม่เคยเจอโรงเรียนอย่างนั้นเลยโรงเรียนตัวอย่างด้วยเลยนะตั้งแต่เข้าไปจนจนพูดจบจนตลอดรายการนั้นไม่มีเสียงเงียบเลยจูอยู่นี่แหละถ้าทางยกมือชี้นิว้วผิวปากทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่กันเราฝากกัน โอ้โหจิตใจเนี่ยหมดเลยบอกเราดีนะไม่มีลูกนะไม่มีลูกอย่างนี้นะผูกคอตายดิเงีนะ้ไม่ไหวโอ้โหไม่ไหวจริงๆเลยนะะไม่ไหวจริงๆเลยมันอบรมสั่งสอนกันยังไงแล้วเสร็จแล้วก็มาติงอาจารย์เขาบอกว่าต้องควบคุมเด็กให้ดีนะแกบอกว่าเป็นอย่างนั้นนะท่านเด็กวัยรุ่นกําลังมีความเปลี่ยนแปลงบอกนี่เลอะแล้วคุณนี่เป็นติดจิตวิทยาวิชาจิตวิทยาคณรังมันเขียนในเฟื่องเฟื่มันเฉยเยอะ่ะ มันไม่มีหรอกไอเด็กตัวสามขวบยังควบคุมให้แกอยู่ได้เลยนี่เด็กตั้ง1ิ7เจยังคุมไม่ได้แล้วไปยอมรับสภาพแกเด็กวัยรุ่นก็นเป็นอย่างนั้นเองแล้วเด็กไอ้เจดปีทําไมเราคุมแกได้เด็ก ต, ตรีวิทยานี่สิปี11ปีมานั่งกรรมฐ า, านนี่ทั้งหนึ่งชั่วโมงแกนั่งเ ร, เรียบร้อยได้เด็ก1ิ7เจปีเกิดทําไม่ได้แต่เรายอมรับไอจิตวิทยาไปหมดอ่ะคือคือเนี่ยในในวงวิชาการเราทำไมเขือความคิดแบบฝรัง่ง จิตวิทยาอย่างงั้นอย่างงี้แต่จิตวิทยาวัยรุ่นเราเอาใจแก่อย่างงั้นอย่างงี้อย่าไปขัดขวางแก่ไม่ได้หรอกบางอย่างมันต้องขัดขวางแหละโดยตามจิตวิทยามันก็เขียนขายเราหลอกขายเราแล้วเราโง่ไปเชื่อมันหมดได้ไง ม, มันเป็นวิชาความคิดเฉยๆได้จากประสบการณ์ต่างๆที่ไอ้ข้อมูลต่างๆมันก็เป็นเป็นข้อมูลในบ้านในเมืองเขาในรูปแบบสังคมไทยเรานั้นเดี๋ยวไปมีรูปแบบอย่างหนึ่ง อยู่ในเราเราอยู่ในลักษณะสังคมอีกอย่างหนึ่งว่าเด็กนั้นจะต้องมีสัมมาคาระวะมีความเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่แต่ว่านั้นหน้าเอ็นดูจริ ง, รงๆไงฮะไม่รู้เป็นยังไงนะคือคืออาจารย์จะนําเด็กสวดมนต์เนี่ยแทนที่แกจะหันหน้าไปทางพระพุทธรูปแกหันหลังให้หันหลังให้เพราะได้ไ ด, ได้พูดเข้าไมโครโฟนคือแทนที่จะจับไมโครโฟนหันเข้าหาพระพุทธรูปก็ไม่จับแกยืนหันหลังให้เลย อันหลังแล้วก็พนมมืออย่างเงี้ยไหวก็เด็กก็ว่าอารหังไปแกเองก็หันหลังให้พระพุทรูปเป็นเรื่องอะไรนะอาจจะเป็นคนโง่ขยันอะไรก็ไม่รู้คือคือสรุปว่ไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจอะกลายเป็นเรื่องไม่มีระเบียบวินัยไม่สามารถที่จะควบคุมได้เป็นเป็นสนิมใจที่นึกว่าวันหลังเนี่ยจะต้องพูดกันทักทีที่โรงเรียนเนี่ยแต่แต่วันจะพูดกับผู้ใหญ่เขานะฮะ เราจะต้องปรับปรุงเด็กให้ดีขึ้นกว่านั้นขนาดคุมตัวเองให้นั่งนิ่งๆสักคือว่านั่งกระดุกกระดิกว่างก็ไม่ว่าอะไรแต่อย่าคุยมากกันเลยกันมัคุยเสีอลั่นหมดเลยนะแล้วผิวปากด้วยนะบางทีผู้หญิงผู้ชายส่งสิกแนนกันใหญ่เลยดูสิฮะมันอะไรกันไม่รู้ฮะไม่เคยพบเลยด้มาอบรมเด็กมาตั้งยี่สบกว่าปีแลยยี่สิบปปีไม่เคยพบเลยโรงเรียนอะไรอย่างนี้เลย โรงเรียนตัวอย่างนะเขาบอกอันนี้โรงเรียนตัวอย่างแล้ววันหลังเนี่ยจะพบกับประหลัดกระทรวงนะจะถามประลัดกระทรวงว่าไอ้ไอที่ไม่ตัวอย่างมันขนาดไหนตัวอย่างมันขนาดเนี้ไม่ตัวอย่างเพื่อนที่ที่พูดกันตำหนิกันเนี่ยมันคงจะแรงกว่านั้นแต่เราไม่เคยพบนะฮะเด็กเด็กที่แยกแยกกว่านี้ไม่เคยพบมาเลยมีแข่งหนึ่งที่โรงเรียนอาชีวะอันนี้อีกแข่งเนี่เหมือนกันนะ่ะ แกตั้งแต่ที่การบดีพูดมานะพูดมาผู้ใหญ่จากกระทรวงมาพูดแกไม่เคยหยุดเลยชอยู่เนี้ยหูอื้อย่างนะพอมาขึ้นพูดแกก็ยังเจ้าเหมือนเดิมนะบอกนี่เรามาตกลงกันนี่ว่าเธอจะพูดหรือว่าฉันจะพูดถ้าถ้าเธอจะให้ฉันพูดเนี่ยเธอต้องนิ่งแต่ถ้าเธอจะพูดฉันจะนิ่งแกก็เงียบไปได้หน่อยเอาอีกเอาบอกก็ ดังนันก็อาราธนาเธอพูดกันแล้วกันนะฉันไม่ต้องพูดหรอกเแบรบเดียวแข่งกันไม่รู้ใครพูดต่อใครพูดยุ่งกันหมดเลยแต่เราก็เลิกพูดซะเลยโดยไม่ต้องไปตั้งแต่วันนั้นนะฮะเขาก็ไม่เคยมากล้านมนมอีกเลยลเล่นทั้งครูทั้งทั้งหมดเลยทั้งโรงเรียนในวันนั้นเพราะอะไรคือมันมันมันไม่มีระเบียบวินัยเลยเวลาสินาทีก็พูดตั้งนิ่งๆไม่ได้นั่งฟังไม่ได้คุยจูแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะ ปัญหาสาคัญ่าแกไอ้พวกข้างหน้าเนี่ยมาคุยกันพวกข้างหลังเกิดเงียบได้อันนี้แปลกปกติพวกอยู่ข้างหลังเนี่ยชอบคุยที่ทีนี้พวกข้างหน้าคุยพวกนี้จําเป็นเดี๋จะต้องกําราบใช้อันนี้นยฮะใช้แบบเทพุติเจ้าใช้ใชทรมานนันโทบรลานดารากลาคือใช้หยาบตามด้วยละเอียดถ้าเราจะละเอียดกระแก่อยู่เรื่อยเนี่ยไม่มีทางทําได้เพราะพลเหล่านี้มันก็ด้างมากเกินไป นี่ก็สรุปว่าวิธีฝึกปรืออบรมคนไม่ว่าอยู่เราอยู่ในจุดใดก็ตามก็มีสองแนวแนวหนึ่งก็คือคมคือหยาบตาม้วยละเอียดวิธีหนึ่งก็ละเอียดเลยเรียบร้อยอยู่แล้วนะฮะวิธีอีกในวิธีที่ละเอียดนั้นบางอย่างเราก็ต้องดึงแก่ขึ้นมาก่อนแล้อยู่ในจุดพร้อมเรียกว่าอนุญาตมุขเทศนานี่ก็เป็นพุทธจริยาประการหนึ่งในการทางานของพุทธเจ้าสาหรับในวันนี้ก็ขอ รัตนาคุณประสีรัตนัจได้โปรโดดลบันดาลวิบาลรักษาให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายประสบความเจริญงอกงามไพรบุร์ในธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วโดยตัวกันทุกท่านเทิด